จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรมนาใจบุญใจกุศลทุกๆด่านวันนี้เป็นวันสารที่เจพุทอภาของพุทธศักราช2559เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิงการงานต่างๆ จึงได้ตั้งใจมาว่าเพื่อมาสร้างความสุขความจเจริญทางใจมาเสียสละความสุขความจเจริญทางร่างกายเพราะความสุขความจเจริญทางใจเป็นความสุขที่สาคัญกว่าเพราะเป็นความสุขความจเจริญที่จะ อยู่กับเราไม่เหมือนกับความสุขความเจริญทางร่างกายที่จะต้องมีวันเสืสอมลงตามวาระของร่างกายพอร่างกายตายไปความสุขความเจริญที่เราได้ผ่านทางร่างกายก็จะหมดสภาพไปกลายเป็นของคนอื่นไปเช่นทรัพย์สมบัติก้าวของเงินทองต่าง ที่เราหามาได้ด้วยร่างกายของเราพอร่างกายของเราตายไปทรัพสมบัติต่างๆที่เราหามาได้ก็จะกลายเป็นของคนอื่นไปแต่ความสุขความเจริญหรือทรัพสมบัติของใจนี้เราเอาติดตัวไปได้เราไปถ้าเรามีทรัพสมบัติมีความสุขความเจริญ เราก็จะไปเกิดที่ดีกว่าที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้ที่ดีกว่านี้คืออะไรก็คือพบของเทวดาพ บ, พบของพระพบของพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นพจที่มีความสุขมากกว่ามีความทุกข์น้อยกว่าและถ้าไปถึงจุดสูงสุดก็จะได้ไปถึงพระนิพพานเป็น พบที่มีความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดและเป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องกลับมามีร่างกายเป็นเครื่องไม้เครื่องมือหาความสุขวันนี้พวกเราในสละความสุขทางร่างกายคือเงินทองที่ปกติเราจะใช้เงินทองนี้ไปซื้อความสุขต่าง ให้แก่ร่างกายของเราแต่วันนี้เราจะเอาเงินทองที่เราไปซื้อความสุขต่างๆมาซื้อความสุขทางใจกันด้วยการเสียสละแบ่งปันคือการทำบุญทำทานเวลาเราทำบุญทำทานเงินเราน้อยลงไปแต่ใจเราจะมีความสุขมากขึ้น ใจเราสูงขึ้นเพราะผู้ทำบุญย่อมมีความเมตตามีความกรุณาเป็นธรรมที่จะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นจากมนุษย์ให้ไปเป็นเทวดาไปเป็นพรม่มและไปเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆย่อเป็นที่จะต้องมีความเมตตามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความสงสารมีความการุณาต่อเพื่อนร่วมโลกต่อผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนนี่คือการสร้างความสุขความเจริญให้แก่จิตใจความสุขความเจริญของจิตใจนี้ไม่หมดไปเวลาที่ร่างกายตายไปใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายความสุขความเจริญของใจ ก็อยู่กับใจต่อไปและจะทำให้ใจได้ไปอยู่ตามที่ที่ได้พัฒนาขึ้นมาถ้าใจเป็นเทพเวลาร่างกายตายไปใจก็ไปสวรรค์ชั้นเทพถ้าใจเป็นพรหมใจก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมถ้าใจเป็นพระอริยบุคคล ใจก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นของพระอริยเจ้าอันนี้เกิดจากการที่เรามาเสียสละความสุขทางร่างกายแทนที่จะไปเอาเงินซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็เอามาซื้อบุญกุศลแทนอันนี้เรียกว่าเป็นการพัฒนาจิตใจ เวลาที่เรามาพัฒนาจิตใจนี่คือการทำบุญทำความดีต่างๆไม่กระทำบาปอันนี้เรากำลังทำให้แก่จิตใจทำให้กับตัวของเราแต่เวลาที่เราไปหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไปหาความสุขทางตาหูจมูกลินกายเรากำลังทำให้แก่ร่างกายที่ พอร่างกายตายไปเราก็ไม่มีความสุขจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ต่อไปดังนั้นเราควรที่จะให้ความสาคัญกว่าความสุขความเจริญของใจเพราะเราอยู่ที่ใจเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเราไปกับใจเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปร่างกายนี้ไปสู่สุสาน ไปสู่เมนไปสู่การชาปนากิจไปสู่การเป็นขี้เท่าขี้ทานไปสู่การเป็นเศษกระดูอันนี้คือเรื่องของร่างกายเราพวกเราจึงไม่ควรให้ความสําคัญมากต่อการหาความสุขทางร่างกายกันเพราะเดี๋ยวไม่นานก็จะไม่สามารถหาได้แล้วเวลาร่างกายแก่ เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาร่างกายตายไปถ้าเราไม่มีความสุขทางใจเราจะทุกข์ทรมานแต่ถ้าเรามีความสุขทางใจเราจะไม่เดือดร้อนพระพุทธเจ้าจึง ส, สอนให้พวกเรามาสร้างความสุขทางใจกันเพราะความสุขทางใจนี้ถาวรน แล้วก็ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทางร่างกายความสุขทางร่างกายมีปรมิมาณจำกัดเช่นถ้าเป็นน้าก็น้ำน้ำเดึอดตูนะ่แต่ความสุขทางใจนี้เป็นเหมือนน้ำในทะเลกนะว้างใหญ่ไพศาลมหาศาลที่เราจะสร้างกันได้นะต่อให้เรามีเงินทองมากน้อยเพียงไร เราก็ซื้อความสุขทางร่างกายได้เพียงแค่ตุ่มน้ำเท่านั้นเองถ้าเราต้องการมีความสุขมากกว่าความสุขขนาดของตุ่มน้ำต้องการความสุขของทะเลของมหาสมุทรเราต้องมาสร้างความสุขทางใจกันดังนั้นถ้าเรามีความสุขทางร่างกายพอแล้วคือร่างกายอยู่อย่างสุขสบายแล้ว มีอาหารรับประทานมีเครื่องนุ่งหง่ไมไว้สวมใส่มียารักษาโรคไว้รักษาโรคภัยไข้เจ็บมีบ้านไว้สําหรับหลบแดดหลบฝนสแสดงว่าเรามีความสุขเต็มเต็มตุ่มแล้วจะมีมากไปกว่านี้ก็ไม่ได้ต่อให้เปลี่ยนบ้านจากราคาที่เราอยู่นี่ราคาแสนเป็นราคาล้านความสุขก็เท่ากัน อยู่บ้านระดับราคาล้านกับอยู่บ้านร ะ, ระดับราคาแสนหรืออยู่บ้านเช่ามันก็มีความสุขเท่ากันเพราะมั น, นำทำหน้าที่ปกป้องรักษาร่างกายได้เท่ากันป้องกันฝนฟ้าอากาศต่างๆป้องกันภัยจากคนหรือจากสัตว์ถ้ามีบ้านอยู่ก็จะปลอดภัยมีความสุข ดังนั้นเราอย่าไปหลงกับการหาความสุขทางร่างกายที่แบบฟุ่มเฟือยเพราะว่ามันได้ผลเท่ากันเช่าบ้านอยู่หรืออยู่บ้านราคาล้านสิบล้านมันก็เป็นบ้านเหมือนกันเหมือนกับเสื้อผ้าที่เราใส่เสื้อผ้าก็มีไว้ปกปิดร่างกายมีไว้รักษาป้องกันความหนาวป้องกันแมลงสัตว์กัดต่อย จะใส่เสื้อผ้าชุดละห้าร้อยหรือชุดละห้าพันหรือชุดละห้าหมื่มันก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกันมันก็ปกป้องรักษาร่างกายให้อยู่อย่างมีความสุขได้เหมือนกันดังนั้นแทนที่เราจะใส่เสื้อผ้าชุดละห้ามนสู้เราใส่เสื้อผ้าชุดละห้าร้อยแล้วเอาเงินที่เหลือนี้มาซื้อความสุขทางใจกันดีกว่าเอามาบริจาค เอามาช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากจะบริจาคให้กับวัดก็ได้บริจาคให้กับโรงเรียนก็ได้บริจาคให้กับโรงพยาบาลก็ได้บริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศลต่างๆก็ได้แล้วเราจะได้เพิ่มความสุขขึ้นมาแต่ถ้าเราเอาเงินห้าหมื่นนี้ไปซื้อเสื้อผ้าใส่ความสุขที่ได้จากเสื้อผ้าห้าหมื่น กับความสุขที่ได้จากเสื้อผ้าห้าร้อยก็เท่ากันไม่ต่างกันเลยคนใส่เสื้อผ้าห้าร้อยกับคนใส่เสื้อผ้าห้ามก็มีความสุขทางร่างกายเท่ากันดังนั้นเราอย่าอย่าหลงกับความสวยความงามอย่าหลงกับอัตตาตัวตนอย่าไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราตัวเราคือใจ คนที่เราต้องดูแลคือใจเราอย่าไปดูแลร่างกายเพราะร่างกายมันเป็นคนรับใช้ของเราเราตัวเราเรากลับไม่ดูแลเรากลับไปดูแลคนรับใช้แสดงว่าเราโง่หรือฉลาแดแทนที่จะซื้อเสื้อผ้าชุดละห้าห 0,000 ื่นให้เราใส่เรากลับไปซื้อเสื้อผ้าชุดละห้าห 0,000 ื่นให้คนใช้ใส่อย่างนี้มันก็โง่เท่านั้นแหละเข้าใจไหมเราเป็นนายร่างกายเป็นบ่าว เราเป็นคนสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแต่เรากลับไม่ค่อยทำอะไรให้กับตัวเราเลยตัวเราจะวุ่นวายจึงทุกข์จึงเดือดร้อนจึงหิวจึงอยากอยู่เรื่อยๆเวลาหิวเวลาอยากก็ไปทำให้ร่างกายเวลาหิวอยากได้ความสุขก็ไปซื้อเสื้อผ้าให้กับร่างกายซื้อเสื้อผ้าให้กับคนใช้เวลา หิวอยากจะมีความสุขก็ไปกินก็ให้คนใช้กินตัวเองก็ไม่ได้กินอาหารของของเราเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรเสื้อผ้าของเราเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรอาหารของเราเสื้อผ้าของพวกเราก็คือบุญนี่เองเวลาเราหิวเราอยากไปเอาอาหารให้ร่างกายถ้าร่างกายมันได้กินวันละมื้อเนึ่ยมันพอแล้วไม่ต้องให้มันมากไปกว่านั้นถ้าหลังจากกินแล้ว มันยังหิวอยู่แสดงว่ า, าไม่ใช่หิวทางร่างกายมันหิวทางใจเราต้องเอาบุญเอากุศลมาให้กับใจเวลาอยากจะซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ก็ดูว่าเสื้อผ้ามันพอหรือไม่ถ้ามันขาดก็ซื้อได้แต่ถ้ามันพอแล้วก็อยากไปซื้อถ้าอยากก็แสดงว่าใจมันหิวไม่ใช่ร่างกายหิวร่างกายไม่ได้ขอเสื้อผ้าชุดใหม่ แต่คนที่ขอเสื้อผ้าชุดใหม่ก็คือใจถ้าเราอยากจะให้เสื้อผ้าชุดใหม่กับใจเราก็ต้องเอาเงินไปทำบุญแล้วเราก็จะได้ความสุขทำให้ใจเราหายจากความอยากจะซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่นี่คือเรื่องของตัวเราที่เราไม่รู้จักกันเราไม่รู้ว่าอะไรทำให้ใจเรามีความสุขมีความอิ่มมีความพอกัน เวลาเราอยากเราก็ไปทําให้กับคนใช้ของเราโดยกระทั่งคนใช้ของเรานี่อ้วนท้วนสมบูรณ์แต่ใจของเรานี้พร้อมแห้งเหมือนกับตอนที่พระพุทธเจ้าอดพระกายาหาร49วันนั่นแหละคือรูปร่างลักษณะของใจของเรามีแต่หนังหุ้มกระดูกหิวอยู่ตลอดเวลาอยากได้อยากมีอยู่ตลอดเวลาและเวลาอยากได้อะไรก็เอาไป เอาไปให้กับร่างกายแทนที่จะเอามาให้กับใจก็เอาไปให้กับร่างกายให้เท่าไหร่มันก็ยังหิวยังอยากอยู่เหมือนเดิมถ้าเราอยากจะให้ใจของเราอ้วนเหมือนกับร่างกายอยากให้มันอ้วนเป็นตุ่มเลยเราต้องมาทำบุญกันให้มากๆบุญก็มีสามระดับด้วยกันทำบุญด้วยการให้อย่างวันนี้ญาติโยมเอาข้าวของต่างๆมาให้อันนี้เท่ากับให้อาหารกับใจแล้ว ทำให้ใจมีความสุขมีความอิ่มแล้วถ้าอยากจะมีความสุขมีความอิ่มมากกว่าการให้ก็ต้องมาละการกระทำบาปอย่าไปทำบาปเวลาทำบาปแล้วใจเราจะร้อนขึ้นมาใจเราจะเบือดร้อนจะไม่สบายใจถ้าเราอยากจะให้ใจเราสบายใจของเราเย็นมีความสุขไม่เดือดร้อนก็อย่าไปทำบาปละเม้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ละเว้นการลักทรัพย์ละเว้นการประพฤติผิดประเวณีละเว้นการพูดปฏดและละเว้นการเสพสุรายาเมาต่างๆอันนี้จะทำให้ใจของเรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ใจของเราไม่ค่อยมีความสุขกันก็เพราะการกระทาบาปของเราเวลาเราโกหกใครที่เราจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ แ้เราจะมีความกังวลเราจะมีความกลัวว่าเขาจะรู้ว่าเราโกหกพอแล้วเขารู้ว่าเราโกหกเราก็จะเสียเพื่อนไปเพราะคนเราไม่ชอบคบค้าสมาคมกับคนโกหกหลอกลวงถ้าเราอยากจะมีมิอยาจะมีเพื่อนเราต้องเป็นคนซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาอย่ากโกหกอย่าหลอกลวง ก, กันเพราะ เวลาหลอกลวงกันผู้ที่ถูกหลอกลวงก็จะต้องรับความเสียหายไม่มีใครอยากจะมีความเสียหายแล้วจงไม่อยากจะคบกับคนที่จะมาสร้างความเสียหายให้กับเราดังนั้นเราต้องรักษาศีลให้ได้ละเว้นจากการกระทำบาปห้าข้อนี้แล้วเราจะมีความสุข เพิ่มมากขึ้นไปแล้วถ้าเรายังอยากจะมีความสุขมากไปกว่า น, นี้เราก็ยังสามารถเพิ่มได้ด้วยการมาภาวนาคําว่าภาวนาก็คือการมาทําใจให้สงบแล้วก็สอนใจให้ฉลาดเพราะเวลาใจสงบนี้จะทําให้ใจมีความสุขมากที่สุดไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้จะมีมากเท่ากับความสุข ที่เกิดจากความสงบถ้าความสุขทางร่างกายเปียบเหมือนกับน้ำในตุ่นความสุขทางใจที่เกิดจากความสงบก็เปียบเหมือนน้ำในมาหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาลทำให้เรานี่อิ่มเอิบใจสุขใจไปตลอดเวลาไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรเพราะความสุขอื่นๆนี้สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ ถ้าเรามีน้ำขนาดน้ำในมหาสมุทรเราจะไปหาน้ำในตุ่มทำไมน้ำในตุ่มนั้นมีเพียงเล็กน้อยมีเพียงนิดเดียวแต่น้ำในมหาสมุทรนี้มีมากมายก่ายกองแั้งดความสุขที่เราจะได้รับจากการทำใจของเราให้สงบก็คือเราต้องภาวนาต้องเจริญสติเพราะสตินี้ จะเป็นผู้ที่จะทำให้ใจสงบถ้าใจของเราเปียบเหมือนลิงสติก็เปียบเหมือนเชือกถ้าเราอยากจะให้ลิงมันนั่งอยู่เฉยๆไม่ไปเพ่นพ่านไปทำอะไรวุ่นวายเราเรต้องเอาเชือกมามัดมันไว้เอาเชือกมามัดตัวลิงไว้ให้ติดอยู่กับเสาพอมัดมอนไว้แล้วมันก็ดิ้นไม่ได้มันก็จะไปทำอะไรไม่ได้ใจของเราก็เหมือนกัน ถ้าไม่มีเชือกมัดมันไว้มันจะคิดไปเรื่อยๆแล้วคิดไปทางทางความอยากคิดแล้วก็อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอเกิดความอยากก็เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาอยู่ไม่เป็นสุขเพียงแต่คิดว่าอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ใจก็มีความากังวลแล้วว่าจะได้หรือไม่ได้มีความกังวลกังวายแล้ว เวลาได้ก็ดีใจเดียวเดียวแต่เดียวก็เกิดความอยากขึ้นมาใหม่เวลาไม่ได้ก็เสีย อ, อกเสียใจร้องมผ่ร้องไห้นี่เป็นผลที่เกิดจากการที่เราไม่มีสติผูกความคิดของเราไว้หยุดความคิดของเราปล่อยให้คิดไปเรื่อยๆส่วนใหญ่ความคิดของเรานี้จะคิดไปในทางความอยากทั้งนั้นคิดถึงขนมก็อยากจะกิน คิดถึงนองภาพยนตร์ก็อยากจะไปดูภาพยนตร์คิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวก็อยากจะไปท่องเที่ยวคิดถึงคนนั้นก็อยากจะไปหาเขาอยากจะได้เขามาเป็นแฟนมาเป็นเพื่อนอะไรต่างๆเลยทําให้เรานี่อยู่เฉยๆไม่เป็นสุขต้องไปดิ้นหาสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ถ้าเรามีเชือกมัดใจของเราคือสติมัดใจไว้ได้ทำมันใช่ใจนิ่ง ใจของเราจะอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขจะไม่รู้สึกยินดียินไายกับอะไรต่อให้ได้อะไรมนาะมากเพียงไรก็เฉยๆเราให้เสียอะไรไปมากน้อยเพียงไรก็เฉยๆเพราะใจมีความสุขในตัวของมันแล้วมันไม่ต้องไปอาศัยความสุขจากของภายนอกไม่ต้องอาศัาายความสุขจากคนนั้นคนนี้ไม่ต้องอาศัยความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ นี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสู้แล้วนํามามาบอกพวกเราว่าได้พบของดีของที่ไม่มีอะไรในโลกนี้จะดีเท่าก็คือความสุขที่เกิดจากความสมงบแต่พวกเราต้องสร้างมันขึ้นมาเองพระพุทธเจ้าบอกว่าเสียดายสร้างให้พวกเราไม่ได้ถ้าสร้างให้พวกเราได้พวกเราคงก็ไปนิพพานกันหมดแล้วแต่พระพุทธเจ้าบอกสร้างให้ไม่ได้ ต้องทำกันเองพระพุทธเจ้าทำได้เพียงบอกวิธีเท่านั้นวิธีที่จะทำให้ใจของเราสงบทำให้ใจของเรามีความสุขขั้นต้นก็ใช้เชือกมามัดไว้ก่อนมัดไว้แล้วก็เพื่อให้ใจมันนิ่งเมื่อใจนิ่งแล้วเราก็จะพบกับความสุขแต่เวลาที่ใจออกมาจากสมาธิมันก็จะเริ่มคิดใหม่แล้วมันก็จะเริ่มอยากใหม่ ถ้าอยากจะให้ใจไม่มีความอยากก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจสอนให้เห็นโทษของความอยากว่าเวลามีความอยากนี้ใจไม่มีสุขความสุขหายไปถ้าอยากจะให้ใจมีความสุขจากความสงบก็ต้องอย่าไปทำตามความอยากแล้วสิ่งที่เราได้มาก็จะทำให้เราทุกข์เพราะสิ่งที่เราได้มามันไม่เทีย่ยมมันไม่ถาวร ได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปพอหมดไปเราก็เสียใจแล้วเราก็ต้องไปหามาใหม่ก็ต้องหาอยู่เรื่อยๆหามาได้มากได้น้อยมันก็ต้องหมดไปแล้วในที่สุดเวลาร่างกายเราแก่เราเจ็บเราตายเราก็จะไมส่สามารถหามันได้อีกเราก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจอยู่ในใจเราไปเรื่อยๆถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่า ความอยากของเราเป็นต้นเหตุของความทุกข์ของเราเราก็หยุดเสียเช่นถ้าเรารู้ว่าเรารับประทานอาหารชนิดนี้แล้วทำให้เราท้องเสียคราวหน้าเราก็จะไม่รับประทานแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็จะรับประทานไปเรื่อยๆรับประทานไปทีไรท้องก็เสียทุกทีฉันใดความไม่สบายใจความทุกข์ใจของเราก็เกิดจากความอยากของเรานี่เอง ไม่เชื่อลองสังเกตดูเวลามีความอยากแล้วถามตัวเองเวลามีความไม่สบายใจแล้วถามว่าตอนนี้เรากำลังอยากกับเรื่องอะไรอยากกับคนนั้นอยากกับคนนี้อยากกับสิ่งนั้นอยากกับสิ่งนี้เช่นเวลาเราไม่สบายเราก็ทุกสองที่ไม่สบายที่กายและเราไม่ก็ไม่ไปไม่สบายที่ใจด้วยใจไม่สบายเพราะอะไร underneath. เพราะไม่อยากให้ร่างกายไม่สบายใช่ไหม ความไม่อยากให้ร่างกายไม่สบายก็ทําให้ใจเราทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ว่าความไม่สบายของร่างกายเป็นสิ่งที่เราบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้เวลามันจะไม่สบายมันก็ไม่สบายแต่ถ้าเรายอมให้มันไม่สบายเราอยากไปอยากให้มันไม่สบายใจของเราจะไม่ทุกข์ไม่เชื่อลองทำดูทำหน้าเวลาไม่สบาย บอกใจว่าให้ดีใจกับมันอย่าไปอยากให้มันหายถ้าอยากให้มันหายแล้วจะทุกข์ใจแต่ถ้าอยากให้มันอยู่แล้วจะไม่ทุกข์ใจนี่คือเรื่องของใจของเราความทุกข์ของพวกเราเกิดจากความอยากและไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำลายความทุกข์ที่เกิดจากความอยากของเราได้นอกจากปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบเท่านั้นเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ คนพบว่าความไม่สบายใจของพวกเราเกิดจากความอยากของพวกเราถ้าเราอยากจะสบายใจเราต้องหยุดความอยากให้ได้ด้วยการเข้าไปในสมาธิเอาสติมาผูกใจควบคุมใจบังคับใจไม่ให้คิดเรื่องราวต่างๆไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราอยากทำให้เราทุกข์พอเราไม่ไปคิดได้ความทุกข์ก็จะหายไป แล้วต่อไปเราก็จะไม่มีความอยากมารบกวนใจเราอีกต่อไปทุกครั้งที่มีความอยากเราไม่ทําตามความอยากความอยากนั่นก็จะอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆจนใ น, นที่สุดมันก็จะหมดกำลังไปแต่ทุกครั้งที่เราทําตามความอยากความอยากมันจะมีกำลังเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างที่พวกเราทากันอยู่นี้พวกเราทุกครั้งเวลามีความอยากทำอย่างไร ก็ไปทาตามความอยากทันทีเลยใช่ไหอยากซื้อเสื้อผ้าก็ไปซื้อเลยอยากซื้อกระเป๋าก็ไปซื้อเลยอยากซื้ออยากไปเที่ยวที่ไหนก็ไปเลยแล้วความอยากเที่ยวอยากซื้อนี่มันหมดไปหรือเปล่ามันก็ยังมีมีมากกว่าเดิมสิอยากจะไปเที่ยวให้มากกว่านี้สิอยากจะไปซื้อของให้มากกว่านี้สกนี่แหละความอยากเป็นอย่างนี้ แต่ถ้าทุกครั้งที่เราอยากจะซื้ออะไรแล้วเราไม่ซื้อรับรองได้ว่าครั้งต่อไปความอยากจะน้อยลงไปแล้วถ้าไม่ซื้อตามความอยากไปไม่กี่ครั้งเดี๋ยวความอยากก็หายไปเลยแล้วเราก็จะอยู่อย่างสบายไม่มีอะไรมาคอยสร้างความไม่สบายใจให้กับเรานี่คือการมาสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่จิตใจของพวกเรา ด้วยการเสียสละความสุขทางร่างกายไปเอาความเอาเงินทองที่เราจะไปซื้อความสุขทางร่างกายมาซื้อความสุขทางใจด้วยการมาทำบุญให้ทานด้วยการมารักษาศีลด้วยการมาบาเพ็ญจิตตภาวนาทำใจให้สง บ, บสอนใจให้ฉลาดสอนใจให้เห็นโทษของความอยากว่าเป็นทุกเหตุของความไม่สบายใจทั้งหลายของเรา ถ้าเราสามารถกระทำสิ่งที่พระเจ้า ส, สอนให้เรากระทำก็ได้ใจของเราก็จะพัฒนาไปถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพานขั้นของพระอาหารหันต์ได้พวกเราทุกคนมีสิทธิ์เป็นพระอาหารหันต์ไปพระนิพพานกันได้ทุกคนเหมือนกับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียนจบปริญญาเอกได้อยู่ที่เราว่าเราจะมีความพยายาม เรียนหรือไม่เรียนเท่านั้นเองถ้าเรามีความพยายามเรียนเป็นญายเอกดีเราก็จบได้ฉันใดถ้าเราอยากจะไปพระนิพพานอยากเป็นพระอารหันต์กันเราก็เป็นได้ไปได้ด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือหมั่นทำบุญทำทานหมั่น ร, รักษาศีลหมั่นภาวนาไปเรื่อยๆแล้วรับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้ไปถึงพระนิพพาน ได้ไปเป็นพระอาหารหันต์อย่างแน่นอนเพราะวิธีที่พระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ไปนิพพานไปเป็นพระพุทธเจ้าไปเป็นพระอาหารหันต์กันก็เป็นด้วยวิธีนี้แหละด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนานี่เองดังนั้นถ้าพวกเราอยากจะเป็นพระอาหารหันต์อยากจะไปพระนิพพานพวกเราก็ต้องทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาให้ได้ แล้วรับรองได้ว่าจะได้เป็นอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพรศีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบังเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนาสุขภาละ โดยทั่วหน้าการเธอ